เรื่องเนื้อดิบและเลือดสดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เพราะถูกอมนุษย์เข้าสิงอาจารย์และอุปชาช่วยกันรักษาภิกษุนั้นแต่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ภิกษุนั้นเดินไปที่ร้านขายหมูแล้วกินเนื้อดิบดื่มเลือดสดสดโรคอมนุษย์เข้าสิงของภิกษุนั้นจึงสงบ